การประชุมออนไลน์ครั้งที่6ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10เรื่องนวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาค Asia อเอเชียแปซิฟิกดรโมซัมอารี Ari, นักระบาดวิทยาขององค์การอนามัยโลกได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบบัตรกำนันในการตอบสนองต่อการคุมกำเนิดของผู้ด้อยโอกาสในแคว้นปัญจาบประเทศปากีสถาน Family Planning voucher หรือบัตรกำนันสำหรับการวางแผนครอบครัวนั้นเป็นเครื่องมือในการเพิ่มการเข้าถึงและเป็นทางเลือกของวิธีการคุมกำเนิด โดยบัตรกำนันการดูแลสุขภาพนี้คือกระดาษหรือคูปองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปใช้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อใช้แลกกับการบริการด้านการดูแลสุขภาพโดยบัตรกำนันนี้ได้ใช้เป็ น, นกลไกในการจัดหาทุนแลกเครื่องมือเพื่อให้เกิดการปรับปรุง และเพิ่มการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่สำคัญและเท่าเทียมกันโดยบัตรกำนันนี้เป็นรูปแบบของการจัดหาเงินทุนในระบบสุขภาพประเภทหนึ่งซึ่งรวมถึงการชําระเงินหรือการโอนเงินที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยโดยหลังจากได้รับการบริการและทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทางระบบ การจัดการใบสําคัญจะออกบัตรกําันให้หลังจากที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบการดูแลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของโปรแกรมซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ว่าจะขอรับการดูแลเมื่อใดและที่ไหนก็ได้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีองค์ประกอบหลักอยู่3ประการคือ 1. เพิ่มการเข้าถึงการบริการ โดยการขยายให้ครอบคลุมต่อจํานวนประชากร 2. เพื่อเพิ่มขอบเขตของคุณภาพและปริมาณในการให้บริการด้านสุขภาพ 3. เพิ่มการคุ้มครองทางการเงินเพื่อจะปรับปรุงขนาดของเงินทุนโดยการเพิ่มการบริการด้านอื่นๆขึ้นลดต้นทุนและค่าธรรมเนียมเพื่อให้ครอบคลุมถึง ผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้ซึ่งองค์ประกอบทั้ง3นี้เป็นองค์ประกอบหลักของประกันสุขภาพท่วนหน้าจากบริบทนี้เองจึงต้องการศึกษาว่าบัตรกำนันสามารถเข้าเกณฑ์ของหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าโดยเฉพาะด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์หรือไม่ในเรื่องของการวางแผนครอบครัว องค์ประกอบหลักของการจัดหาเงินทุนมี3ประการคือ 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้าได้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครอบครัวยากจนและสมาชิกที่มีโรคประจำตัวในครอบครัวที่ยากจน 2. การโอนเงินไปให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะผ่านทางรัฐบาลเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกลไกลอื่นๆรวมถึง การโอนเงินสดตามเงื่อนไขโดยตรงหรือผ่านบัตรกำนันก็ได้ 3. เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการเลือกใช้การบริการที่ครอบคลุมและมีผลดีต่อคนจำนวนมากได้แก่การบริการที่มีมาตรการเชิงป้องกันเช่นการฉีดวัคซีนการวางแผนครอบครัวการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นต้น ข้อมูลพื้นฐานของประเทศปากีสถานซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินการวิจัยโดยประเทศปากีสถานมีประชากรจำนวน220ล้านคนจากการสำรวจสัมโนประชากรปีพศ2560มีอัตราการคุมกำเนิดโดยรวม35เปเซมีอัตราการคุมกำเนิดสมัยใหม่26เปเซนและวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวระยะยาวต่ำสุด 2-3% มเซมีอัตราการคุมกำเนิดสมัยใหม่อยู่ที่ 23% และ 20% เเซนในชนบทและในกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดตามลำดับในปีพศส5 5 5ได้มีการตั้งคันถึงประมาณ9ล้านครั้งซึ่ง 4.2 ล้านครั้งเป็นแบบไม่ได้ตั้งใจและในการสำรวจสุขภาพประชากรของปากีสถาน ตั้งแต่ปีพศ2533เป็นต้นมาในส่วนภาคเอกชนได้ให้การบริการด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เพิ่มขึ้นจาก34เปอร์เซ็นเป็น52เปเซนโดยเฉพาะในชนบทและในกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผล ของวิธีการใช้บัตรกำนันแบบใช้ครั้งเดียวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเพิ่มปริมาณการใช้และการกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้นในการคุมกำเนิดสมัยใหม่ของกลุ่มผู้หญิงสองกลุ่มที่มีความยากจนที่สุดในชนบทและชุมชนเมืองของแคว้นปัญจาบประเทศปากีสถานโดยบัตรกำนันนี้มีวัตถุประสงค์3ข้อคือการบริการการติดตาม และการจัดการตอบผลข้างเคียงรวมถึงการบริการนํายาฝังคุมกําเนิดและห่วงอนามัยคุมกําเนิดออกให้วิธีการศึกษามุ่งเน้นไปที่วิธีการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวระยะยาวโดยเป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลองซึ่งใช้แบบสอบถามก่อนและหลังพร้อมทั้งมีคําถามเพิ่มเติมสําหรับการประเมินการบริการของบัตรกํำนัน โดยผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยแต่ละกลุ่มเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจำนวนกลุ่มละ1276คนซึ่งมีอายุเฉลี่ยประมาณ31ปีแต่ในกลุ่มควบคุมอายุเฉลี่ยประมาณ30ปีโดยกลุ่มทดลองทําที่อำเภอชักวาแคว้นปัญจาบและกลุ่มควบคุมที่อำเภอบักฆ่าในแคว้นปัญจาบ โดยทั้งสองอำเภอนี้ได้รับการคัดเลือกจากตัวชี้วัดทางสังคมและประชากรศาสตร์รวมถึงทางสุขภาพที่สามารถเปรียบเทียบกันได้และระยะทางห่างกันอย่างน้อย100กิโลเมตรเพื่อลดการย้ายถิ่นของประชากรโดยทำการทดลองตั้งแต่เดือนสิงหาคมพศส5 5 5ถึงเดือนมกราคมพศส5 5 8 โดยการทดลองนี้มีการให้บริการได้แก่หนึ่งบัตรกำนันในการให้บริการการวางแผนครอบครัวฟรีสองบัตรกำนันในการให้บริการการวางแผนครอบครัวล่วงหน้าจํานวนสามครั้งสามการเยี่ยมบ้านเพื่อการติดตามผลการจัดการผลข้างเคียงและถ้าหากจําเป็นสามารถเอายาฝังคุมกําเนิด และห่วงอนามัยคุมกำเนิดออกให้ 4. การเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้เรื่องวิธีการคุมกำเนิดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 5. การให้บริการระดับชุมชนเช่นมีการเยี่ยมบ้านในเรื่องสุขภาพของผู้หญิงโดยผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาในเรื่องการวางแผนครอบครัว รวมถึงวิธีการวางแผนครอบครัวระยะยาวเช่นห่วงอนามัยคุมกำเนิดและการฝังคุมกำเนิดโดยแพทย์หกผู้ปฏิบัติงานในชุมชนจะทำการประเมินผู้หญิงยากจนที่ต้องการวางแผนครอบครัวแล้วให้คําปรึกษาในการวางแผนครอบครัวกับผู้หญิงยากจนทั้งสองกลุ่มโดยใช้เครื่องมือประเมินความยากจนผลลัพธ์ การตระหนักในเรื่องยาคุมกำเนิดนั้นเพิ่มขึ้น 30% เอร์เซนตในกลุ่มทดลองและ 14% เปอร์เซนในกลุ่มควบคุมและบัตรกำนันยังส่งผลให้การคุมกำเนิดเพิ่มขึ้น 16% เเซนและวิธีการคุมกำเนิดสมัยใหม่เพิ่ม 26% ปรซประชากรที่ด้อยโอกาสมีความรู้มากขึ้นและยังใช้วิธีการที่ทันสมัยมากกว่าคนที่มีฐานะร่ํารวย ส่วนการทำหมันในผู้ชายนั้นเป็นศูนย์ของทั้งสองกลุ่มแต่การทำหมันในผู้หญิงนั้นได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในทั้งสองกลุ่มในช่วง2 4เดือนที่ผ่านมาดังนั้นบัตรกำนันสามารถเพิ่มวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวและระยะยาวร่วมกับวิธีอื่นๆโดยการใช้บัตรกำนันสามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส ซึ่งพบได้บ่อยในกลุ่มคนยากจนและบัตรกำนันยังดูเหมือนจะลดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงวิธีการที่ทันสมัยในกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยบทสรุปบัตรกำนันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการในการวางแผนครอบครัวและการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งการเข้าถึงประชากรที่มีช่องโหว่จะช่วยเพิ่มความเสมอภาคโดยสามารถขยายการเข้าถึงการคุมกาเนิดการเพิ่มการใช้วิธีการวางแผนครอบครัวที่ทันสมัยและเป็นทางเลือกสำหรับการคุมกาเนิดได้อย่างมากในกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสคนยากจนวัยรุ่นสตรีหลังคลอดเป็นต้น ซึ่งบัตรกำนันยังเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีในการเพิ่มการเข้าถึงการบริการและคุณภาพของการบริการสำหรับผู้ด้อยโอกาสซึ่งทางระยะยาวนั้นบัตรกำนันยังสามารถเสริมสร้างศักยาภาพของระบบสุขภาพให้มีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเป็นหนทางสู่กาลังซื้อในเชิงกลยุทธ์เช่น การทำประกันภัยวารุณีขัดเตมีรายงาน